ตัวชีวิตในโลกนี้มีกายมีใจมีสุขมีทุกข์กับกายกับใจเวลาสุขก็ยิ้มหัวเราะแลืวบางทีก็มีน้ำตาเย็นไหลมาพิติตลื่มใจอิ่มใจแต่ส่วนใหญ่ เราก็จะรักสุขเหยียดทุกข์แล้วก็ความสุขยิงวิ่งไล่เหมือนเงาก็ยิงวิ่งหนีก็เยี่ยงหยิบมันก็ไม่ถึงบางทีเราก็สับสนแล้วก็สงสัยมันจะอยู่ยังไงต่อไปบางทีร่างกายใครหนุ่มใครสาวมันก็อายุเกินสี่สิบห้าสบขึ้นไปมันก็ สุดซมต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยหรือบางทีก็ต้องนึกถึงความตายอะไรปงที่ใจจะปรงพอนึกถึงว่าต้องตายมันเหี่ยวเหี่ยวอ่อนๆหมดแรงมันปรงมีกายทุกข์ากายบางทีมันก็คิดมาก กลางคืนก็ฝันกางวันก็คิดไม่อยากจําันก็จําอยากลืมมันก็ไม่ลืมฝังใจนั่งเดินเยืนนอนเนี่ยมันคิดตลอดวันนี้เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะฝึกจิตให้มันออกมาจากความคิดซะบ้างเรียกว่าพักขณะที่มันคิดเดี๋มันจะพลังงานเปลือง คิดมากอ่อนล้าหมดเรี่ยวหมดแรงไ ล, ลออกมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหวเดิยนยกมามนั่งซ่างโยามันก็เป็นการฝึกจิตพัฒนาจิตพักจิตพักใจพักกายคือนอนหลับทั้งคือนะพักกายแต่ใจไม่ได้พักก็มีถ้าถาเราเรารู้สึกตัวเวลานอนก็นอน หลับสบายปิดสวิตไปเลยความกลัวก็ไม่มีมางทีเรามาใหม่ๆเราจะกลัวเสียงสัตว์สาราสิ่งต่างๆกลัวความมืดกลัวปรุงปงต่างๆไปแต่เราฝึกมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเราก็ยิน่น้ะทุกอย่างก็คืนสู่สภาวะธรรมชาติของมันเป็นปกติกายก็ได้พักใจก็ได้พัก มันมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวมันมีศีลมีความเป็นปกติมีสมาธินะมีความแนว่วแน่ตั้งมั่นจะทำอะไรก็เป็นเรื่องตรงหน้าตรงหน้าเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องมีปัญญาปัญญาที่นี่คือบรรายสงสัยในตัวของกายของใจตัวของชีวิต หรือว่าความคิดที่เป็นเหตุทําให้เกิดความทุกข์นะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันเห็นสมมติฐานอาการที่มันแสดงออกเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวที่ละเอียดการเคลื่อนการไหวนั่งเดินยืนนอนกัวิปตาหายใจนิยามแต่เวลามีความคิดขึ้นมามะละเอียดเราเลยเห็นแหล่งที่มันผลิตความทุกข์ในชีวิตของเรา กิดล้วกรอดคิดแลวด้วก็โลอบคิดแล้วก็หลงก็จากตัวคิดอย่างงี้ยคิดแลวด้วอิจฉาเลยะคิดแล้วก็ม่ตกตังคนเศ้าหมองต่างๆคิดแล้วก็ไปเหตุเป็นผลเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดจากความคิดเพอเราไปสัมผัสโลกระทรุโลความรู้เนืรู้ตัวรู้สึกตัวรู้เนื้อกือกายอะนะกายร่างกายของเราเสร็จแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนซะหน่อ ธาตุสี่ที่ประชมเป็นรูปธรรมเป็นตัวเป็นตนนี่จมูกนี่ปากนี่คิ้วนี่ตานี่คือมือคือแขนคือขาคืออวัยวะส่วนต่างๆมาประชุมรวมกันกเป็นร่างกายของเราแต่ ถ, ถ้าแยกแยกกันอยู่เราเห็นมันก็ไม่ใช่ร่างกายที่เรียกว่าดุลก่อนตั้งเนื้อตั้งตัวมันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้แกแยะแยกแยะแยกแยะเป็นท่าน ถาดน้ำก็แช่แช่ถาดดินก็รู้สึกกระทบสัมผัสหนักๆสัมผัสได้ถาดไฟเย็นๆร้อนๆถาดไฟถาดน้ําถาดไฟถาดดินถาดลมเบื้องบ น, บนเบื้องกลางเบื้องล่างลมหายใจลมในช่องว่างลมในที่ต่างๆมากมายตัวสรวา่างกายของเราใน้วกการรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนะการเคลื่อนไหวรู้สึกยกไมย้ยกมือแต่ละจังหวะมันก็คือ ลมนั่นแหละมันก็ลมหายใจอย่างเดียวกันแต่ว่าการที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นลมที่เราผลิตขึ้นมาเจตนากระทำขึ้นมาสั่งขึ้นมามันมีสติมันก็สั่งแต่บงทีก็ยกไปแบบลอยๆยกไปแบบอัตโนมัติไม่ได้กํากับไม่ได้กําหนดนะฮะไม่ได้มีลักษณะของเจตนาลงไปเบื้องตน้นแต่มาฐานก็เลยไม่เกิดตรงนี้แหละนี่ ท่านทำกรรมฐานก็ต้องใส่เจตนาลงไป <c oughs> เจตนาที่จะเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสรู้สึกลงไปมันก็จะเป็นกรรมฐานที่มันให้ผลแต่ละขณะนะแต่ละขณะนะจริงเราก็หยุดหยุดฟุง้งหยุดปรุงหยุดคิดปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกความทุกข์เก่าๆมันก็หลนลงมันก็อ่อนตัวลงก็เรียกว่ามันอยู่ในกุลามิติน มันจะปังแล้วรู้เรื่องหรือไม่ก็ไม่รู้นะมิติเนี่ยก็คือมิติที่มันสัมผัสได้กับพิติที่มันมันพ้นออกมาจากการที่สัมผัสแล้วก็หลงเผลอก็เป็นมุกเป็นทุกข์มันกลายเป็นรนักษณะของความเป็นปกติที่จิตมันอยู่กับปัจจุบันนที่มีสติเป็นเกราะป้องกันอยู่เหมือนกับเราทํางานเจนณาทําทงานนะ งานก็ถูกต้องอย่างงี้นะได้เงินได้ทองมาจับใจ่ายใช้สอยปัจจัย4 5 6 7 8เป็นความสุขเป็นความสุขของโลกที่เขาสารสร้างขึ้นมาเป็นความสะดวกเป็นความสบายเป็นความคล่องตัวในการที่ใช้ชีวิตอาหารยารักษาโรคปัจจัย4 5 6 7 8ต่างๆเพื่อให้ร่างกายของเราประคับประคองทาดขันแก่ก็แก่ช้าลงอย่างงี้นะ เนออาหารต่างๆมากมายแล้วกันเสริมให้ร่างกายของเรานเซลล์ันทำลายตัวเองชา้าๆให้เซลล์ใหม่อยู่ตลอดเวลาสม่าเสมออย่างเงี้ยอ่อนเยาว์แก่ช้าก็เสียเงินเสียทองกันหาเข้ามาเราที่อยู่เตีอยใสยที่สบายกันลมกันแดดนะไม่ต้องเหมือนกับว่าให้ธรรมชาติเขาเ ทำลายแสงแดดทำลายแล้วว่าอยู่ในที่ที่มันไม่ปลอดภยัยเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายเราได้อาศัยหาทรัพหาเงินหาทองนั่นแหละจนกทั้งเป็นเราทุกวันนี้นั่งอยู่ที่นี่นี่แหละด้อาศัยสมมติัอย่าแบบโรกๆที่ก็ะมมตรรวมกันถ้ามีเงินก็มีปรตทุหนึ่งสองสาสี่ห้าต่างๆการนี้มันมาถึงตอนที่ว่า ปัญหาเรื่องจิตเรื่องใจของเราเนี่ยมันต้องอาศัยลักษณะของกรรมฐานทำกรรมฐานนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวในละกรรมฐานเห็นกายเห็นนาเห็นจิตเห็นธรรมนะกรรมฐานแบบนี้มันก็จะเกิดสติขึ้นมาจํานานในการที่จะรู้ทุกเห็นอาการต่างๆที่เกิดกับกายกับใจของเราเป็นความสุขความทุกข์จะทั้งเห็นเป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ละ แก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บกับเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนถึงเวลาตายก็เรื่องธรรมดาเพราะเห็นแล้วว่าอ๋อใครๆมันก็ต้องตายเป็นโปร่งแล้วจนทำมันมีความรู้สึกตัวจริงๆมันก็เห็นว่าเออมันไม่ได้ตายหรอกเป็นการคืนสู่ธรรมชาติมันจะเห็นจริงๆอ๋อดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็จะคืนสู่ให้โลกใบนี้ต่อไปก็เลยเป็นอมตะนิรันดร์เลยก็ได้ถึงเวลา มันจะเป็นยังไงก็เออเฝ้าดูมันไหวต่อแต่แล้วก็ผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยนะไหวเต่งตึงแล้วก็ผ่านมาแล้วตอนนี้เข้าสู่ไหวตรงเต่งแล้วก็ต้องตายอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันหนีไม่พน้นเราก็เอามาศึกษามีสติ ร, รู้ความรู้สึกตัวนะนะสติ ร, รู้ความรู้สึกตัวอย่างเงี้ย ตัวสติคือการที่มันเลือกรู้แล้วก็มีความรู้สึกอยู่ที่ตัวตัวกายทุกครั้งที่กระทบสัมผันธ์มันก็จะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นทุกกระเบียดนิ้วเลยวินาทีแต่และ ว, วินาทีมันก็ซอยลงไปอยิบเลยทียิบเล ย, ย, เลยอาการต่างๆที่แสดงออกมาที่กายที่จิตของเราแต่ ว, ว่าจิตนี่อาการที่มันแสดงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลนักษณาของอารมณ์ต่างๆที่เกิดนะ ความ corner, หงุดหงิด ah. ความไม่สบายใจนะความโง่หลงงมงายต่างๆแสดงออกไหความโลภความโกรธความหลงแสดงออกมาเป็นตัวกิเลสตัวกิเลสก็คือนะเป็นเหตุแห่งทุกข์ความโลภความโกรธความหลงไปในจิตใจเกิดจากความคิดทําไมมันต้องคิดด้วยกับว่ามันชอบหลงทําไมมันต้องหลงด้วยกับว่าไม่รู้สึกตัวทำไมไม่รู้สึกตัวเพราะไม่ขยันเคลื่อนไหวทำไมไม่ขยันเคลื่อนไหวเพราะยังไม่เกิดศรัทธา ท้าไม่ไม่ศรัทธาก็ว่ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเจอคนที่ก็ไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยๆเรียกว่าผู้สงบสมณะพวกนี้เราไม่เคยได้เจอกันคนที่เขาสงบเวลามีปัญหาใหญ่ๆก็ผ่านด้วยความนิ่งเขาแสดงออกด้วยปัญญากลายว่าจะใจแสดงออกแล้วก็ผ่านปัญหามันมีอยู่เอาตัวรอดได้แต่เราได้เจอแล้วเราอ๋อมันมีคนแบบนี้ด้วย ยินงเขาปรารถนาดีก็พูดให้ฟังกาลยนานมิตรกูบาอาจารย์ต่างๆเราได้ยินได้ฟังสัาธรรมจากสัตบุรุษเราก็เกิดศ ร, รัทธาขึ้นมาเราก็เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะอ๋อจริงจริงจริงจรงิมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องของลิติปฏิหารหรือว่าทำให้เชื่อโดยงโงหลงงมงายพิสูจน์ไม่ได้นะพุทธศาสตร์กวิยาศาสตร์พิสูจน์ได้อยู่แล้ว แต่พุทธศาสต์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางทีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็จับไม่ได้เป็นลักษณะของเราต้องสัมผัสเอาเองความคิดอย่างนี่ยนะแต่ตอนหลังนี้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็จับได้มนุษย์เราคิดไม่น้อยกว่าวันละหกหมืเรื่องเนี่ยโอ้โหหกหมื่นพบเช็คอย่างน้อยเลยนะแต่ที่จริงมันเป็นแสนๆล้านๆหลายๆล้านด้วยวิบวับวิจิตไวมากไม่น้อยกว่าสิเจ็เท่าของปรมานูเนี่ย หลูกที่อินเดียไม่ใช่ขอไปที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้อินเดียก็พยายามผลิตขึ้นมานิวเคลียร์ปรมาณูต่างๆมากมายแล้วกันแต่ว่าพยายามใช้เพื่อสันติประเทศไทยก็นําเข้ามาเหมือนกันปรมาณูเป็นหน่วยที่มันละเอียดลงไปมันก็เป็นพลังงานที่ทําลายล้างนะขณะนี้วิยาศาสตร์จับได้ความคิดเราเร็วมากไม่น้อยกว่า17เท่ากับปรมาณูแต่ว่าสติปัตยามันจับได้ การที่มันคิดว่าเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตของเรานะมันจับได้เป็นอาการของจิตนมันเป็นภาษาในสมองความคิดนะคนไทยคิดแบบคนไทยจีนก็คิแบบคนจีนนะถึงด่ากันก็ยิ้มให้ได้เราไม่รู้เรื่องแต่คนไทยบางทีมันภาษาไทยมันฟังกันออกเนี่นะสมมติบัญญัติในหัวสมองภาษาในสมองก็ตีความทันทีจริตนิสัยที่เราเคยนะ เป็นมามก็ตีความทันทีมันจะมีจริตนิสัยอุปนิสัยแล้วกสันดานเราก็ได้เห็นโอตัวเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราก็จัดการจัดระบบจัระเบียบกายใจของเราด้วยว่าระเบียบความคิดโดยการที่มาฝึกสติฝึกให้เขาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกําหนดตรงนี้ทําไมกําหนดมันคิดแล้วเกิดกําหนัดแน่นอนกําหนัดมันก็มีอะไรามากมายแล้วกัน เป็าคะกิเลสตัณหนาราคะต่างๆอุปทานต่างๆเราจะมีการกําหนดกํากับกันอยู่เบื้องต้นหรือเรียกว่ากฎก็ได์กฎโดยธรรมชาติเป็นลักษณะของนมามธรรมที่มันเป็นต่อปัตต์แต่ว่ากฎลูปธรรมก็เป็นดอเด็กอย่างงี้นะมันเป็นกฎเอาไว้กฎเพื่อที่จะทําอะไรอย่างนักมวยก็กดเพื่อที่จะตีเขา่ากดปริยาตีศอกกดปริยาจัลปะ อออาวุธแม่ไม้มวยไทยแต่ว่ากฎของธรรมชาติมันมีอยู่นทําดีก็ดีทําชั่วยกช็ช่วกฎของธรรมชาติทํากรรมฐานเหนือดีเหนือช่วยมันกฎของธรรมชาติเมื่อเราทํากรรมฐานแล้วก็ใส่ะเจตนากําหนดไปเบื้องต้นจนกระทั่งมันทําเป็นแล้วจิตใจของเรามันอยู่ในกรอบจนกระทั้งมันเชื่องมันไม่ประยชน์ดุร้ายแต่ถ้าเราไม่ฝึกนึงประยชน์ดุร้ายนะจิตของเราะ มันเหมือนกับสัตว์ที่ไม่ได้รับการฝึกอย่างไงงั้นเลยมันไม่ประเสริฐเลยมันว่เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่ต้องฝึกเงี้ยนะถ้าไม่ฝึกไม่ประเสริฐแล้วเราจะอยู่กับจิตใจของเราได้ยังไงนะมันคุมดีคุมไรเงี้ยนะมันฟู ฟ, ฟูแฟบแฝสุกๆุทุกๆอยู่คนเดียวก็เหงาว้าเวขี้น้อยใจยศับสนตัวเองวิตกกังวลตรงนี้ก็แสดงว่าไม่มีสติไม่เคยฝึกวิชา สติปัฏฐาน4ี่มีสติไปในกายมีสติไปในเวนามีสติไปในจิตมีสติไปในธรรมชาติต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเวลากระทบสัมผัสรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยากแยะได้แล้วก็เลือกเป็นตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกต้องหัดกันหลังจากที่เราเกิดจัตธาขึ้นมาแยากแยะเออเห็นว่ามันจริงเราก็เริ่มต้นที่จะเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐาน4 การเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหรือว่าต้องฟองยุบรู้สึกตัวหรือว่าดูลมหายใจรู้สึกตัวหรือว่าตอน ต, ตื่นยันรับการเคลื่อนการไหวตลอดเวลาเวลาของกาเราสังเกตได้ทั้งการเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสตั้งแต่อย่าไปหาละเอียดตั้งแต่ผลิตขึ้นมาถึงกระทั่งมันเป็นความเป็นเองเป็นความเป็นเองเช่นอวิปตาหายใจลมกระทบสัมผัสหันใจแลกว่าการเกงการคลายรู้เนะื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทําเป็น จนทางความคิดที่เป็นนามธรรมละเอียดมันเคลื่อนแล้วเราก็รู้สึกได้ตรงนี้นะก็จะทําให้เราเห็นความคิดน ะ, นะก็เรียกว่าสติปัฏฐานสี่มันเกิดขึ้นไหมตรงนี้มันก็จะเกิดการสํารวมอินทรีย์เกิดการสํารวมขึ้นมานตาไม่ดูได้มันก็ไม่ดูหลอกถึงดูมันก็รู้สึกตัวอยู่มันดูข้างนอกแต่ไม่เห็นข้างในได้ยินข้างนอกแต่มันมาดูข้างในดูใจเราเนี่ยล่ะใจเราไม่พุพ่งพรวดออกไปอินะนะ ปกติเราดูหนังดูละครแล้วก็เป็นหนังเอกพระเอกทุกเรื่องนี่มันอินนะถึงตัวอฉาออกมาตัวร้ายออกมาเราก็กรอดเราก็เกลียดอย่างเงี้ยนะถึงตัวดีออกมานะเราก็มีความรู้สึกพออกพอใจอย่างเงี้ยรูปกระทบนะทางตาหูเสียงกระทบทางหูนะเราก็ไม่ทันผัสนะพอเราฝึกสติปัญฐาแล้วก็รู้สึกได้เสียงมากระทบก็รู้สึกได้รูปมากระทบเราก็รู้สึกได้มันะเป็นรูปธรรม มีการกระทบสัมผัสสันสะเทือนกันอยู่เราก็สังเกตได้ตรงนี้แหละจะทําให้เกิดการเลือกเป็นใช่ไหมนะเกิดการสํารวมอินทรีย์นะมันไม่พุ่งออกมันปกติอยู่มันเห็นอยู่มันนิ่งอยู่มันเฉยอยู่มันมีสมาธิอยู่แน่วแน่มั่นคงกับความเป็นปกติรู้นะ ร, รู้ตัวมีปัญญาอ่านออกว่าการนั้นทำไมเราเกิดทุกยังไงนะที่ผ่านมาเราไม่รู้สึกตัวเราขาดสติตอนนี้เรารู้ตัวเนื้อรู้ตัวรู้รกายรู้ใจ ก็เห็นสภาพธรรมต่างๆที่ลังกรปลากเาา็เฉพาะหน้าเฉพาะหน้านั่นน่ะมันก็เกิดล้วนะของปฏิกิริยาอาการสภาพธรรมต่างๆที่เป็นคุณธรรมปกป้องคุ้มครองให้ใจของเราไม่ไหลรุ่สู่ความทุกข์ให้มันเป็นลน้านาของอยู่เหนืออยู่เหนือโลกโลกมีสภาพธรรมต่างๆมันก็ไม่ได้ทุกข์ไปกับโลกมันมีอยู่เราก็จึงมาฝึกมาหัดกัน ให้เกิดลักษณะของบัจจีสุจริตมะโนสุจริตหรือว่ากายสุจริตอย่างเงี้ยโดยความมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมีสติกตฏฐานสี่ทุกครั้งการเคลื่อนไหวเราเก็บตกในรูปแบบนอกรูปแบบทั้งเฉยโอกาสทั้งหาอากาศให้มันรู้เนื้อ ร, รู้ตัวอย่างต่อเนื่องตอน ต, อตื่นยันหลับหลงแล้วก็แล้วไปเรากรู้ว่าหลงก็กลับมา รู้ว่าคิดไปก็กลับมารู้ว่าอารมณ์มันโงดงีก็กลับมารู้ว่ากรธก็กลับมารู้ว่ามันกังวลก็กลับมาสัมผัสรู้กระทบความรู้สึกตัวเนี่ยกลับมาหาตัวไกายให้กายก็เราเป็นวิหารธรรมเป็นรนาของเครื่องอยู่เป็นบ้านของจิตเบื้องต้นเลยการเคลื่อนกั น, นไว้ต่ก็หนะหรือบางทีมันนิ่งก็รู้ได้นะแต่เรานิ่ง ร่างกายเรานึ่งๆมันก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ดิถึงมันจะนิงะน่งขนาดไหนก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ดิมีลมหายใจละเอียดๆๆความเป็นเองหรือว่าคนเราสัมผัสกับพื้นมันมีอยู่ลมหายใจท้องปองยุบอะไนั้นมันมีอยู่เราก็รู้ได้ที่ลมมันมาสัมผัสตัวเราเบา ๆ, ๆมันก็สัมผัสได้ถึงจะ น, นิงะน่งขนาดไหนก็ยังมีการเคลื่อนไหวแมันเป็นความเป็นเองนะตรงนี้ปู้ใหม่มันจะไม่หมอเพราะว่าความคิดมันรุนแรงแล้วก็ไว มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ทันแต่เราเจตนาขึ้นมาตรงนี้มันแก้กันได้แก้กรรมเจตนาที่ไม่ตามความคิดหลงเข้าไปในความคิดโดยการสัมผัสที่กายตรงนี้มันมีเหตุผลนั่นแหละหรอมันเป็นกฎของธรรมาชาติจิตทํางานได้ทีละขนาดแต่ว่าไวมากเมื่อเราให้อยู่กับกายมีงานทํางานนี้เรียกว่ากรรมฐานก็จะหลงไปคิดไปปรุงไปฟุ้งมันก็เป็นไปไม่ได้ ไอที่มันลงไปฟุง้งไปปรงุงเนื่องจากมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตทํางานได้ดีแล้วณันนะมันไม่ชํานาญจนกระทั่งเหมือนกับว่ารู้เท่ารู้ทางความคิดเกิดความฉับไวขึ้นมาว่องไวกล้องตัวมันเรียกว่าอยู่ในแดนงานในแดนงานในแดนงานตรงนี้ระยว่างงานกรรมฐานในแดนที่มีรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายสมองพวกนี้นมันจะรู้ อยู่ในแดนของปกติแต่ถ้ามันหลงเข้าไปในความคิดมันก็ตาดูก็คิดหูฟังก็คิดนะแล้วก็ปรุงแต่งไปตามวิสัยให้ความเคยชินต่างๆแล้วก็จึงอ๋อมารู้เนื้อรู้ตัวใหญ่น้อยมันก็ไม่ฟุ้งไปกับความคิดหลงไปในความคิดเนี่ยเนื่องจากมันออกมาที่วัตถุรูปธรรมความคิดเป็นนามรูปเป็นนามธรรมามันเป็นลนักษณะของ นามธรรมที่จับต้องได้อยู่แต่ว่าต้องใช้สติสัมผัสแต่ว่าตัวรู้ธรรมของเราจะสัมผัส ต, ต้องได้เลยทางกายปราสาทกายปราสาทจริงๆความคิดก็สัมผัสได้เหมือนกันในเนื้อสมองของเรานะมันจะรู้สึกเลยมันจะมีอาการเหมือนกับรู้สึกรละเอียอยู่ในหัวของเรา ม, มันรู้ได้ความคิดนี่มันจะเป็นลนักษณะของนามธรรมแล้วก็อยู่ซีกซ้ายซีกซ้าย ไอ้ตัวนี้เป็นขุมของความโลภเลยนะเป็นเป็นแหล่งของความโลภนะราคะจริตต่างๆน เ, เกิดในนี้เลยส่วนลักษณะของไอ้ตัวกายหยาบนั้นอยู่ทางขวานะทางขวานี่เป็นแหล่งของความโกรธเลยนะเวลาจะโกรธแสดงออกขึ้นมาเค้นออกมามันจะเค้นทางด้านขว า, ขาแล้วเวลาที่มันจะมีปกติออกมาจากตัวโลภตัวโกรธเนี่ยไอ้ตั ว, ลตวลนะนะหวลงอยู่ตรงสูงๆกลางกลาง ถ้าใครปฏิบัติานสัมผัสได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นอาการที่มันมันกระดิกนะมันขยับพลิกไปจากจิตรู้เป็นหลงจากหลงเป็นรู้นะมันอยู่สูงตัวหลงก็อยู่สูงนะเวลามันจะไหลหลงไหลหลงต่ํามันจะลงมากดมาโลภเป็นปฏิฆาเวลาฆาลงต่ํำเลยเห็นแล้วอ๋อแล้วนะอาการของจิตมันอยู่ในแดนของปกตินี่มันสูงนะมันสูงแต่เวลามันอยู่ในแดนของผิดปกติมันจะลงต่ํา ก็เลยเข้าใจออว่าอาการของจิตเป็นลักษณะที่มันสูงสูงต่ำี้ยจิตประเสริฐมันสูงเนี่ยมันนศรีจิตสูงอ๋อมันเป็นอย่างนี้จิตพระนี่มันสูงมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันสูงจิตสูงมนุษย์นี่มาจากคําว่ามันนะก็คือใจอะนะมันนะก็อุศยะอุศยะคือสูงเนี่ยมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยงมีดีที่แหววคนถ้าใจต่ำก็เป็นได้เพียงคน ท่านะงเนี้ยนะอาจารย์เวทตาทันพูดเอาไว้เนี่ยจำมาพูดได้ฟังที น, ะนี้ไอ้คนนิ่มไปต่าๆก็เลยเนหะ็นว่าอ๋อไอ้ที่คนนี่มันมั่วจริงๆนะคิดแล้วหลบแล้วกดแล้วหลงแล้วรักแล้วจังนะดีก็เอาชั่วก็เอาเนะี่ยเรื่องหนักของคนเป็นะไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรหรอกนะมันเป็นเรืที่มันเหมือนนอนอยู่กับคูดไม่เห็นคูดนะอยู่กับสิ่งสปกปรกไม่เห็นความสปกปรกเนะ่แต่ว่าปรากฏว่าจิตสูงเนะี่ยมันเป็นความปกตินะะน มันเป็นลของมนุษย์โสซิเนาะจิตสะอาดสว่างสงบนี่ยพัฒนาได้ไปสู่พระไปสู่พระแล้วก็มีใจดีใจเมตตาต่างๆเนี่ยเป็นพรหมโอใจสูงอย่างนี้จิตจะเบานะเวลาปฏิบัติเราจะเห็นจิตเบาจิตหนักถ้าปฏิบัติมาหน้าดํามาจิตหนักประเภทนี้ปฏิบัติแล้วเหมือนกับว่าของเก่ามันแรงมันโดดแต่บางทีปฏิบัติแล้วจิตสูงจิตเป็นบุญทําดีมาในการเก่าวหน้าขาวพองประเภทนี้ ยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกนุ่มนวลอ่อนโยนในการปฏิบัติการเคลื่อนกันไหวไม่กระทกกระทั่งรุนแรงอะไรเงี้ยนิ่มนินุ่มนวลไปมันก็สังเกตได้หน้าค้าอิ่มเอิบอะไรเงี้ยนะบางทีมันก็มีปกติก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละก็เลยเข้าใจโอ้มันมีแล้นะการธรรมดาธรรมดาสามัญอยู่ด้วนั่งเดินยือนนอนพูดคิดมันเป็นธรรมดาธรรมดามันมีอยู่ เรียกว่าธรรมชาติธรรมะคือธรร ม, มาชาติคือธรร ม, มาดาธรร ม, มาดาเราได้เห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละมันจะเป็นเรื่องที่เราจะได้สัมผัสขนาปฏิบัติธรรมได้ว่าการเคลื่อนการไหวนั้นมันขูดเกาจริงๆมีการขูดเกาจริงๆเห็นได้ชัดๆเลยเหมือนคนไข้ที่มันป่วยหนักๆนะอยู่ๆต้องไปนอนโรงพยาบาลเหมือนกับคนที่ทุกข์มากๆเรามาวัดอย่างนั้นนะเราเห็นว่าไปโรงพยาบาลหมอก็มีกรรมวิธีของเขามีกรอบในการรักษาของเขานั่นก็เหมือนกันนั่นแะละ มาวัดก็มีกรอบองการปฏิบัติธรรมมีกรอบของกรรมาฐานด้วยวาการใช้รูปแบบนั่งเดินยืนนอนวิธีการไหนก็ตาม ท, ที่มันมีอยู่ในโลกมันเป็นลนักษณะของฮอร์โมนการเล่งโตหรือว่าการขูดเก่ารักษาหรือเรียก ว, ว่าผ่าตัดก็ได้นะถอนลากตอนโคนไปเลยความทุกข์เกิดจากความคิดอย่างนี้การหลงเข้าไปในความคิดทำให้เกิดความทุกข์ถอนรากถอนโคนเลยถ้าไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์แต่ส่วนใหญ่ความคิดทํางานตามกฎของวิบากรรมต่างๆ เราก็เลยมาฝึก ร, รู้รู้ตัวสัมผัสกระทบให้เป็นนิสัยนิสัยของนักกรรมฐานหรือ ว, ว่าเรียนรู้วิชากรรมฐานผลเพื่อเกิดวิปาาัสสนาญาณขึ้นมาไปเห็นคุณธรรมต่างๆแยกแยะได้และหยิบมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่เมื่อจะเกิดการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปก็เรียกว่าการเดินทางสูงม่มรรคสู่ผลสู่มรรคสู่ผลสู่มรรคสูผลสู่มรรคสูผล สติก็คือมรรคนั่นแหละการเจริญสติก็คือมรรคนั่นแหละทุกครั้งที่รู้สึกตัวคือการเดินทางแต่ถ้ามันไม่ไม่รู้สึกตัวอย่างการไหลลงไปตามในิสัยความเคยชินต่งตางๆไปสู่ภพภูมิที่เคยเป็นอบายภูมิก็คือคนสูบบุหรี่ก็ไปหาสูบุหรี่เหมือนเดิมนะอย่างงี้นะคนกินเหล้าไปหากินเหล้าเหมือนเดิมนะั่นแหละมันก็เห็นอย่างเนี้ยจริงๆคนมีกามราคะอะไรไสู่กามราคะเหมือนเดิมนะ่ะมีอะไรมันก็ไหลไปอย่างเงี้ย บางทีก็เป็นเทวธรรมนไอ้ชั่วกลัวบาปมีฤิโธทปะนะมันก็มีความกลัวอยูน่นะแต่มันเป็นกลัวความชัว่วมันรักความดีมันเกลียดความชัว่วมันก็กลัวอยู่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ผลจากความกลัวมันมยกจิตขึ้นมาเป็นพระมันก็จะเป็นเทวดานะก็ติดดีนะนะประเภทนี้ก็จะเหตุผลยเยอะทะเลาะเบกแวงกัดแย้งมากมายก็คือกลุ่มของที่เราเรียกว่า ระบบของการปกครองกันนะระบบการปกครองก็เป็นเทวดาชั้นต้นอย่างนี้หรือว่าคนที่พยายามทําประโยชน์ให้กับโลกเพื่อให้คนอื่นได้ใช้ก็ส่งกล้าให้เป็นลักษณะของอประละเรียกนิมมานนารดีนิมมานนรดีนิมมานนรดีอย่างนี้มันเป็นลักษณะของการกระทําแต่ว่าทาให้คนอื่น มันก็เป็นเทวธรรมมีการให้เกิดขึ้นมาแล้วมีความสุขจากการกระทำํำรั้วคนที่นะคิดว่าจะได้แต่ว่าไม่ต้องทำํำคิดว่าจะได้อะไรอยากได้อะไรในมีคนอื่นทําให้ก็เรียกว่าสมออะไรล่ะประนิมินสุ ร, รัสวัตตีทรงรัตสวัตตีก็มีชื่อเรียกแล้วก็พยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแย่งชิงก็อยู่ในในกลุ่มนี้ด้วยก็เรียกพยาบาลสุ ร, รัตสวัตตี้ยละทายสุกั ทำดีทั้งน้ําตาเลยว่าเทพบาสุลกลายเป็นเทพบาสุลนี่กลัวกลัวกลัวอะไรไม่ดีก็จะเปลี่ยนให้มันดีแล้วก็กลัวหวาดกลัวอย่างเงี้นะก็กลายเป็นเทพบาสุลนี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายตรงนี้แหละมันก็เป็นแค่เทวภูมินั้นเราได้เห็นมันเกิดในจิตคิดทั้งหมดเลยคิดดีขนาดไหนก็ตามแต่สุดมันก็เป็นเรื่องของการที่ทำใหเกิดการติดยึดได้เหมือนกัน เราก็เลยมาลองดูกันว่าความคิดดีจะเกิดขึ้นไหมไหมขนาดยกมือสร้างแหวนเราได้เห็นแหละเราติดดีติดชั่วยมากขนาดไหนเราก็เลยออกจากความคิดคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วก็ไม่เอามันก็เริ่มเห็นรูปทำนามทำเกิดยังไงความคิดวิธีเกิดพบผูมันเกิดยังไงนั้นได้เห็นเลยชัดๆมาเลยเป็นเรื่องของชีวิตของเราที่ต้องเดินเดินเดินเจริญสติเป็นการเดินสู่มรรคสู่ผล ผลเกิดขึ้นมาก็เป็นระดับขั้นตอนเข้ามันรู้รูปรูนามเงินนะเห็นแล้านะของกิเลสกรรมวิบากะมันเกิดขึ้นมาเห็นสมมัติเห็นปรมาภพสำเนี้ศเห็นอะไรของตันหาวะทานกรรมพวกนี้ยมันเห็นเห็นได้ตามกําลังของสติเห็นอะไรของสีสมาธิปัญญาเี้ยเป็นช่องเป็นร่องเป็นทางยังไงมันเห็นอยู่มันเห็นการกระทาทางกาวาจาใจของเรามันเกิดขึ้นยังไงกระบวนการของมันไอตรงไหนที่มันมีอาการที่ไม่ปกติมันเกิดขึ้นมาก่อนในจิตของเรา มันเกิดได้เหตุอะไรระบบความคิดพวกนี้แล้วก็เวลามันรู้มันรู้ยังไงมันอยู่ตรงไหนเวลาภาวะผู้ดูมันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงมันแสดงออกยังไงอันนี้แหละมันเป็นลักษณะของกรรมฐานมันเป็นลักษณะของกรรมนิโยเหมาะแก่การงานงานกรรมฐานมันก็หมาะแก่กรรมฐานงานของโลกก็เหมาะที่จะทําหน้าที่อย่างนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิโตเนี่ยมันก็เป็นความบริสุทธิ์ ว่าจะเกี่ยวข้องด้วความบริสุทธิ์ทางกายว่าใจหรือว่าทำและไม่เป็นกรรมในใจเราจะไม่ได้มีเวรมีกรรมอะไรเลยแต่ว่ากับคนอื่นมันมีอยู่เพราะการแสดงออกมันเป็นกายของเราดุนก่อนที่ทำกรรมก็ะตกกับร่างกายของเราเวลานั่งเดินยือนนอนอย่างนั้นนะมันก็จะมีแล้ษณะของพฤติกรรมแสดงออกมากรานี้พฤติกรรมตัวนี้นะคนอื่นก็สัมผัสได้กรนี้เราอยู่กับโลกสองคนยนต์ตามช่องคนมองเห็นเป็นคนตม อีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวพรางพลาพลไกลเรวนานาจิตต่างต่างคนต่างคิดคนมีปัญญาเขคิดแบบคนมีปัญญาคนมีปัญหาคิดแบบคนมีปัญหาคนตามันเหลืองก็มองไปเป็นสีเหลืองหมดตามันแดงก็มองไปเป็นสีแดงหมดคนมันหลงความหลงปิดตาก็มองอะไรก็หาดีไม่เจอนะคนที่ความเขาก็ปิดตาอย่มองอะไรก็ดีเสมอแต่ว่าเราฝึกเจริญสติ ให้เห็นโลกตามความเป็นจริงนะเกี่ยวข้องถูกต้องนะโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะมีการแก่มีการเจ็บมีการตายนะแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็มีการพัดภาคจากของรักของชอบใจรั่วปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นแน่นอะนต้องเจอแน่นอนเพราะนั้นะนะการฝึกของเราวันนี้นะจะมีผลในสัมภารยภพในวันหน้านะนะเหตุเราทําปฏิบัติทำผลก็คือไม่ทุกข์ในวันหน้า แล้วก็เหตุที่เรากําลังเออเหมือนกับว่าทำแล้วก็ผ่านมาแล้วเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วรัชชาติไหนๆก็ตามมันมีผลมาเป็นวันนี้นระ่างกายก็เราต้องเกิดโรคไปใค้เจ็บแล้อ ว, ว่าจิตใจของเราต้องเก็บสะสมาไว้ประทับใจนะติดอกติดใจในเรื่องปัญหาต่างๆที่แก้ไม่ตกเป็นความทุกข์เราทํากับเขาก็ทําทกับเราอันนี้เป็นระนาบของวิบากนยะ่เี้ เราก็รู้แล้วมันเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุเราก็ไม่ทําอีกมันเกิดหลามถ้าฝึกสติปัฏฐานจะเกิดจริงๆมันจะเห็นแล้วโอ้ความคิดที่เกิดขึ้นมานันผ่านไปแล้วนะเหตุการณ์ผ่านไปตั้งนานแล้วแต่ว่าความคิดทําให้เราโวยร้องไห้ได้ใหม่เกี่ยวเสียใจก็เสียใจเดี๋ยวนี้แหละมันประทับใจเรื่องโกรธนะมันยังโกรธได้อีกเทั้งเรื่องผ่านมาแล้วห้าปีสิบปีเรายังไปคิดนึกอีกทําไม่ก็ทกํากับเราทําไม่ก็ว่าเราทําไมเขาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนู้นทำไมก็ไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็เก็บมาคิดได้ใหม่ทั้งนัก็ผ่านไปแล้วตั้งนานนะะเราก็เลยได้เห็นขนะขออภัยนะขอญาติเล่าตรงนี้นิดนึ่งมันเคยเห็นความโกรธของตัวเองแบบประเภทพังทลายเลยตอนที่เดินจงกลมอยู่มันเป็นวันที่เราคิดว่าเออเราจะขอเก็บอารมณ์สักหน่อยนะแล้วเราก็ตั้งใจทำเพราะว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็ชอบคุยกันว่าของเขาว่ากี่วันรูรูปนาม ตั้แต่เริ่มต้นไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเราก็มารับรู้เรื่งการฝึกติปฐานว่าต้องเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินโยกมรู้สึกตัวอย่างหลวงปู่เที้ยเรารู้ว่าไปทําวันแรกในเหตุรูปนามเลยวันแรกเลยแล้ววันที่สองเนี่ยเข้าใจทั้งหมดของพระศาสนาเราเคยได้ยินได้ฟังการพูดคุยลักษณานีมาหลวงพิ่มเขียนท่านก็บอกว่าท่านรู้ภายในยีน่สิบวันจิวันแรกนี่ไปไม่ได้ปฏิบัติเลย โมตดัดูปูบาจารย์อยู่ช่วยเหลือวัดว า, ารามหลังจากนั้นไม่ได้ดูตัวเองเน้มาถามอ้าอ้ารูรูปนามแล้วบ่เรารู้ว่าเออหลวงพเขียนเนี่ยโดนเน้นถามระ้ววันที่สิบไปเจอหลวงพ่เทียนหลวงพ่อเทียนจับตัวเขย่าถามว่ารู้สึกตัวไหมอย่างเงี้ยหลวงพ่อเทียนก็อาหาานด้วถ้าไม่รู้นะตั้งใจฝึกความรู้สึกตัวไม่รู้นะวันเท่าไหร่หลวงพ่อจะใจ่ายให้หลวงพ่อกำเขียนบอกว่าลง หลวงพ่อเองนะเคยได้เงินเดือนละพันบาทหลวงพ่อถึงกับบอาอ่ะถ้าไม่รู้นะก็จะจ่ายให้เดือนละพันสามเดินก็สามพันเนี่ยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยไปเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนั่งจริญสติรู้นะรู้ตัวต่ออีก11วันนะก็รวมกันเป็นยี่สิบหนึ่งวันหลวงพ่อก็ไล่ฟังเราก็ตื่นตาตื่นใจตื่นหูเฮ้ย ท่านทำยังไง ร, รู้รูปรู้นามแล้วรูปน้ ำ, นำเป็นยังไงการรู้รูปน้ำเบื้องต้นมันทําให้เราแยกได้ถึงอาการของกายของจิตอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอรู้ทันความคิดก็ได้หลักของการปฏิบัติ้ความคิดเป็นไงมันเกิดยังไงมันน่าสนใจะนะเราก็ยามจับสัมผัสรูปความรู้สึกตัวหลวงพ่อท่านทำยี่จ้อนี้เราแม ม, มาทําก็แปลกเรามีข้อมูลชัดเจนอาจารย์กําพลก็ทำหนึ่งเดือนเข้าใจเลยชัดเจนเลย นะลาออกจากความพิการทางด้านร่างกายอะไรเงี้ยเราไม่ได้ยินได้ฟังสมัยนั้นมีหมอคำพนหมอพนบอกของหมอพนเก้าวันเข้าใจเรื่องรู้เรื่องน้ำาเราฟังแล้วเราอืมของเราก็รู้อยู่เราทําเราขีดเอาไว้นะที่ต้นเสาว่ากี่วันเนีเราก็ขีดเอาไว้เหมือนกันเราก็เราก็ทําได้เราก็ทําได้ขณะที่เพื่อนพูดเราก็รู้แล้วของเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ในตอนที่เราฟังครูบาอาจารย์พูดทันเรายังทำไม่เป็น เราก็เล่นความเพี่ยนละสํารวมนะว่าระวังปรากฏว่ามันมีอยู่วันหนึ่งไอ้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะก็คือความโกรธเป็นคนโทวสัจฉิริแรงมันก็เหมือนกับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้อะไรนี่อะไรหน่อยก็โกรธแต่ส่วนตัวโกรธมีนะสองอย่างคือหนึ่งเนะก็บโกรธไว้เดี๋ยวทีกูแล้วมึงอย่าร้องนะมันเป็นอย่างนั้นทีเองก็ไม่ว่าทีใครเองก็โวยนว้อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเก็บเอาไว้ข้างใน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเวลาเวลาโกรธเนี่ยมันจะเก็บกดเอาไว้แต่ว่าก่อนจะเก็บกดให้มันขอทําก่อนทีสองทีก่อนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในกรอบขอสซะสองสมทีก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทําทันบนพอทําทันบนจะเป็นเด็กเรียบร้อยไปเลยขอให้เรียนให้จบก่อน เ, อเดี๋ยวเจอกันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ปรากฏว่ามันมันโกรธเดินไปเดินมาเดินมาเดินแบบมันโกรธ แล้วเราก็ไม่ทันแล้วเราก็ทําตามความโกรธลองเช็คหาข้อมูลอะไรไปนเนี่ยใช้โทรศัพท์เดินไปหาโทรศัพท์อะไรไปนเนี่ยเพราะฉั้นโทรศัพท์เนี่รองให้ดีนะใครมีโทรศัพท์ประเภทเดินไปกดไปนะกรรมฐานหลุดหมดแตาหากหมดเดินยังกลมไปแล้วก็หยิบโทรศัพท์มากดนั่นกดนี่เรียบร้อยเลยกรรมฐานคราวนี้สมัยก่อนมันไม่มีก็เดินไปถึงได้มาไป พอเดินกลับมาแ๊บน่มาเดินจงกรมมาก่อนแล้วมันโกรธกันมาอย่างรุนแรงมากาเก่าอีกมันไปเช็คแล้วคนที่โกรธนี่ไม่ใช่ใครหรอกนะศีกาโกศีกาที่แยกมาบวชเนี่ยอยู่บ้านก็คิดว่าโอ้ป่านนี้ก็คงจะมีชู้เนมันคิดแบบนี้คงจะอยู่ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยพอคิดแค่นี้ปั๊มกระปี๊ดหนึ่งสองสาีหจห8ดแแล้วกระโดดข้ามมาร้อยังลย อย่างเงี้ยมันฟูวุบขึ้นมาเลยเป็นไงอะไรทีเนี้มันก็โอ้ร้อนรุ่มเราก็สังเกตแล้วเอามากินปกติอยู่ตอนนี้ไม่ปกติกายมากินก็ปกติอยู่หายใจก็ปกติลมหายใจก็ปกติหัวใจเต้นก็ปกติความร้อนอุณหภูมิก็ปกติแต่ตอนนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปไม่ปกติมาที่นี้ก็พูดถึงเรื่องปกติปกติให้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเขาไปปรุงเย ตรงนี้มันไม่ต้องให้ใครมาบอกแต่เวลาปฏิบัติธรรมมันจะเห็นเองมันบอกตัวเองพอมันเริ่มเห็นอารมณ์หยาบๆมันจะเริ่มสนุกแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นได้น่ ม, นมหายได้ด้วยความคิดนี่หายทันทีทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวแต่ปรกากฏอุณหภูมิของร่างกายแล้วลมหายใจว่าจะปรับสู่ปกติมันค่อยๆกายของเราหนีช้ามากเวลาจะเปลี่ยนแก้ทุกเนี่ยอย่างทุกเนี่ยต้องเดินเข้าห้องน้ําเวลาหิวต้องเดินไปห้องครัวทำกับข้าวทําอาหารต้องรอเวลา แต่ในจิตไม่ต้องฮะในจิตของเราเวลาคิดโกรธปั๊บกลับมารู้สึกตัวหายทันทีเรื่องทีเห็นความคิดปั๊บมันก็หยุดลงทันทีอันนี้อารมณ์หยาบๆเห็นได้ทุกคนไออารมณ์ละเอียดก็คือไอความรู้ไอตัวราคะพวกนั้นนะไอตัวที่มันมาเนียนๆ เ, เป็นความสุขไอตัวนี้ไอตัวนี้ น, นสลัดยากเห็นยากละเอียดก็จึงบอกว่าไอาความรู้เนี่ยมันเกิดที่ความคิดมันเกิดด้านซ้าย ไอ้ความโกรธเนี่ยมันเกิดด้านขวาเวลาจะแจ้งออกใช้กําลังเนี่ยมันใช้รั้วขันอะไรดันดีมันกดระบบสมองระบบประสาททันทีเวลามันปกติอยู่มันเบามันสบายมันอยู่กลางแล้วก็สูงแต่เวลามันหลงก็อยู่ตรงกลางนะัตัวนี้เราได้เห็นโอ้มันเป็นอาการแบบนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเส้นทางทำเนี่ยต้องเดินให้ถูกถ้าเดินถูกทำมันก็ถูกทางมันก็พ้นทุกข์นะแต่ถ้าไม่ถูกทางก็เป็นอย่างที่มันเคยเป็นนะ ระเผจะแย่มากกว่าเก่าก็าว่าไดนะ้ก็เลยต้องนี่แะสำรวมและระวังใช้บรรยากาศของการยามิตรกันส่วนจะทำอะไรได้เป็นกล่ อ, องชุมชนอยู่ในระเบียบของชุมชนกันแล้วไปชอบไปมันมีมากมายทำวัดเสดมจรังฟาาลานวัดหรือว่าเจ็ดกวัตปัดถูกุฏิสาลาอะไรพวกนี้หรือว่าบินาบาทอะไรต่างๆลงห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็เขารกกัน ตามอวสุพันเตแล้วนะต้องให้มีเอาไว้ไอ้พระสงฆ์ที่เสื่อมกันก็นเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันไม่มีนะพันเตอวสุอะไรตรงนี้ไม่มีแล้วก็ไม่เยี่ยมยามกันอยู่เป็นนิดไม่ประชุมอย่างนึงนิดตรงนี้ยมันให้เกิดความเสื่อมกันม้นมาหรือประชุมกันไม่ได้เป็นองค์ประชุมของวัดวาอารามทั้งหมดมีประธานสองที่เป็นที่เคารพเข้ามาอย่างที่นี่อาจารย์ไพสารก็ไได้เข้ามาเราก็จึงต้องดูแลตัวเองด้วยการฝึกกรรมฐานตัวใครตัวเรากัน ไม่ก็กลุ่มวิภาวิจาร์หรือว่าพยายที่จะสร้างเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นมาในสังคมในชุมชนมันก็จะยุ่งเหยิงสับสนแต่ว่าที่นี่ก็ดีอย่างก็คือหลวงพ่อเกียนท่านบอกว่าปล่อยให้เป็นลนักษณะของให้ทุกคนได้อยู่ตามลักษณะนี้ใส่ของตัวใครตัวเราแต่มีระเบียบวินัยอยู่บ้างแล้วก็ให้แสดงออกเพราะว่าทุกคนต่างมีกิเลสของตนของตนเป็นสถานที่ปล่อยบาป เหมือนกับป่าอิสิปัตนามรกะทยาวันที่เมืองพาราณสีประเทศอินเดียไหทเนี่ยเหมือนอย่างนั้นใครมาก็ไนดะ้คนดีมาก็ไม่ว่ากันคนบ้ามาก็ไม่ว่ากันสุนัขสัตว์สาราสิงมาอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่เราก็จัดระเบียบนิดนึงโดยการไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกัแล้วกันก็ช่วยกันโดยการที่ตัวใครตัวเราก็อยู่ในที่ที่มันเหมือนกับว่า ฝึกจิตนะฝึกสติเจริญสติจนกระทั่งมันมีการเดินทางเอาประโยชน์กันเรียว่าประโยชน์ต น, ตนแล้วต่อไปก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันตามหน้าที่กิวจวัตรประจําวันก็เลยว่าเสียสละเพื่อชุมชนนี้อยู่ได้ต่อไปอีกนานเท่านั้นเวลาเราจะอยู่แล้วเราจะมีประโยชน์ชุมชนนี้ก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ของคนที่ทุกข์เมื่อมาอยู่วัดปาสุกตแล้วก็สามารถที่จะทําทุกข์ให้ลดน้อยลงไปหรือว่าไม่ทุกข์แล้วกลับไปสู่โลกของความเป็นจริงได้อยังไงล่ะนะ อันนี้วันนี้ก็เห็นว่าสมควรเวลาพูดมาสี่สิบ้านาทนะีก็ให้ลักษณะของคําพูดนะเป็นประโยชน์กับผู้ใหม่บ้างการจะมีพูดเลยมันก็ไม่ดีหรือว่าอยู่ๆไปฟังสภาวะสูงๆมันก็บางทีก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะเราจึงพูดถึงเบื้องต้นก่อนความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวแล้วก็ให้มีศรัทธามีความเชื่อว่าธรรมกำปั้นมันสามารถที่จะทําให้เราอยู่เหนะือเกิดเหนะือแก่เหนะือเจ็บเหนะือตายต่ อ, อยืน เหนือความทุกข์ที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ทุกๆขณะทุกกายทุกใจนะเป็นเรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่มันแสดงเพราะฉะนั้นธรรมมังก็คุ้มครองเราอยู่ธรรมะที่นี้คือตัวสติตัวปัญญาตัวความรู้เนื้อรูร้ตัวในท้ายสุดนี้ก็ก่อให้ทุกคนทุกท่านก็จงมีการจราเสตยแล้วก็มีการเดินทางตามสมควรแ ก, ก่การโดบัติโดยทัวหน้ากันทุกท่านเกอน